สิบเจ็ดปดิเฮดรอบบ้านอินติชุดตุบ้านของเราอยู่ที่นี่มายิลูอิกระดุนดีหลังคาอยู่ข้างบนกอบุไปนะมุนดี ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่างอะุรก็มัดตัคิดได้คนดีมีสวนอยู่ข้างหลังบ้านอินติเวนกาวะกะโตตัวคนดีไม่มีถนนอยู่หน้าบ้านอินติมุนดูวิธีเลดูมีต้นไม้อยู่ข้างบ้านอินติพักกันนะเช็ดลือดใน อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่หน้าอพาร์ตเมนต์อีกระดูกันดีห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่วนตะกดีมาริยุสนานารักดีอีกระดุนในห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ลิฟท์รูมมาริอุปดักติลลูอักกระดุนในประตูบ้านปิด มุนดูตลลปูมูสูนดีแต่หน้าต่างเปิดกานเองคิดถึงลู้เตร์ชิวุนในวันนี้อากาศร้อนอีโรจูเวดิก้าุนดีเรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่นมี living room กีเวลตุนามุมีโซฟาและเก้าอี้นวมตั้งอยู่ที่นั่น อักดว่ากับโซฟามาริโอว่กับกูรชีวุ่นนัเชิญ น, นั่งค่ะได้เชิีกูชนดีคอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้นอักดนาคอมพิวเตอร์วุ่นดีสเตอริโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้นอักดนาสตอริโอวนดี ชุดทีวีเป็นของใหม่ทีวีเซตสริกตติด